เราสวดไอ้จิตตาลูัศสนาก็เป็นบทของของเรื่องที่เราจะใช้เป็นหัวข้อในการเรียนธรรมและศึกษาธรรมวันนี้นี่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาและทำความเข้าใจอยู่กับเรื่องของจิต ก็จะช่วยให้เราได้ไปปฏิบัติเนี่ยให้รู้ท่าทันมากขึ้นนะอันนี้ประโยชน์ของการฟังคือบางทีเราก็ไม่ได้นึกไว้ลงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้ น, นแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็นึกออกว่าอ๋อที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้คือตัวนี้เองมันก็เป็นการเรียนรู้เข้าไปถึงสภาวะทำให้เรารู้จัก สภาวะไอตัวจิตส่วนนั้นนี่นได้ง่ายขึ้นก็เรียกก่าการเรียนรู้ดังนั้นเรารู้จักสภาวะธรรมรู้จักชื่อของมันเนี่ยเราจะใช้มันถูกเห ม, มือนกับเครื่องมือต่างๆเนี่ยที่เราจะใช้หน้าที่ของอเรื่อยท้งใช้อย่างนี้และชี่ของขวานต้องใช้สำหรับนี่ หน้าที่ของมีดต้องใช้สลับนี่ของกบต้องใช้อย่างเนี้รูหน้าที่ของมันก็ใช้ถูกนี่สภาวะธรรมแต่ละตัวที่เราจะใช้เพื่อขัดเกลากิเลสหรือขัดการอบรมจิตเนี่ยเราก็รู้จักหน้าที่ของแต่ละตัวซึ่งบางทีการที่เราได้ศึกษาบริยัตมาก็เพื่อใช้หน้าที่ของ สิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องนั่นเองคือใช้ให้สมดุลพอดีแค่ไหนเหมือนกับเราทำอาหารเนี่ยแล้วรู้ว่าไอหน้าที่ของเครื่องแกงแต่ละอย่างเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรเราก็จะเลือกใส่แกงนั้นแนหะพอดีว่าทาไงถึงจะรสมันยิ่งจะพอดีใส่น้อยใส่มากแค่ไหน <c oughs> อันนี้คือความ สำคัญในการเดินรู้การศึกษาด้านปริยัติจนกระทั่งว่าเราชำนาญแล้วนี่เราก็จะกะใช้สภาวธรรมตัวนั้น น, นไ ด, ไ ด, ได้ได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีเขาเรียกมัชิมาปฏิปฏาัาไอ้สภาวธรรมบางอย่างเราคิดว่าดีแต่ถ้าทำมันเกินเนี่ยมันกลับไม่ดีก็มี อย่างสติเนี่ยเราคิดว่ามันดีทำเยอะๆมันจะดีถ้ามันเกินมันก็ไม่ดีหรือสีนึงเนี้ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไปสืบแต่พอเราเยอะๆมากเกินกว่าตัวอื่นก็ไม่ดีอย่างอาหารเนี่ยเราคิดว่าไอตัวน้ำตาลมันจะดีไอใสเข้าไปเยอะมันจะได้หวานเอามันน้ำตาลเกินก็ไม่ดีลรเกลือ บอว่ามันทำให้ดีใส่เกลือเยอะอาหารให้กินไม่ได้นั้นเครื่องสภาวะธรรมทุกอย่างเหมือนกันมันต้องอาศัยความอพอดีในการใช้ถ้าใช้เกินพอดีสภาวะธรรมนั้นก็เป็นโทษที่เราเรียกว่าวิปัสนูอุปสรรคของวิปัสสนานะ มันก็เป็นอุปสรรคทั้ทงๆ ท, ที่เป็นตัวสภาวะดีๆเท้งนั้นโอภาสแสงสว่างยานสติพวกนี้ในวิปัสสนูมีแต่ว่าทำไมสิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นโทษเพราะเราใช้ไม่ถูกหรือใช้เกินอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาสภาวะกับด้านปริยัตเพราะเราเปนผู้ใหม่และทุกวันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องนี้คนดีเกินมันก็เลยสังคมกเดือดร้อน หรือพ่อแม่รักลูกมากเกินมีความรักเกินอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในที่ลูกในที่สุดลูกไม่เข้าใจลูกก็เสียคนเพราะความรักของพ่อแม่ ท, ทั้งที่ความรักมันดีแต่ทำไมทำให้เราเสียคนเพราะใช้ความรักไม่เป็นหรือครูบาอาจารย์มีเมตตาต่อลูกศิษย์ใช้ความเมตตาไม่พอดีลูกศิษย์ก็เข้าใจผิดลูกศิษย์ก็เลยเสียเหมือนกัน เพราะการอารุมณ์มันยเพราะการเอาใจเพราะการดูแลของครูบาอาจารย์มากเกินไปลูกศิษย์ก็เสียคนเพราะเข้าใจไม่ถูกนะเวลาลูกศิษย์ทําผิดมาครูบอาจารย์ก็ไม่กล้าว่าเพราะมีเมตตานะลูกศิษย์ก็เลยได้ใจแยกอะไรไม่ออกอะไรถูกอะไรผิดอันนี้คือเราเห็นใจว่าสภาวะธรรมทุกอย่างมันก็เหมือนวัตถุที่รู้จักต้องรู้จักใช้ได้พอดีนะ ถ้าใช้ไม่พอดีแม้แต่ธรรมะก็เป็นโทษอย่างที่อุปมาได้กล่าวมานะทีนี้ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องจิตนะจิตตานุปัสสนาระหว่างจิตกับอารมณ์เนี่ยถือว่าเป็นเข้ า, าเขตแดนของนา ม, มารูปนะกายกับเวทนาเนี่ยอยู่ในเขตแดนของรูปนาม เพราะนั้นจดีประฐานสี่เนี่ยกายกับเวทนานี่เป็นรูปนามจิตกับอารมณ์เป็นนามรูปนะหรือตัวจิตกับตัวเวทนากับตัวจิตเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่างเวทนาเนี่ยเป็นได้ทั้งนามรูปและเป็นได้รูปนามจิตก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งนามรูปและเป็นได้รูปนามแต่ในส่วนอารมณ์นะเป็นนามรูปโดยถ่ายเดียวกายก็เป็นรูปนามโดยถ่ายเดียวเนี่ย การศึกษาการได้ยินได้ฟังปริยัตจะทำให้รู้ชัดอย่างนี้มันจะไม่ปนกันมั่วไงเมื่อรู้ชัดอย่างนี้ว่าอันไหนทำหน้าที่อย่างไรก็ทำให้เราเอาไปใช้ได้ถูกต้องที่กล่าวว่ากายเป็นดู่นามโดยทายเดียวเนี่ยเป็นดูปแลาเป็นนามโดยทายเดียวก็เพราะว่ามัน จะต้องอยู่ภายใต้กดของอนิจจังทุกขังอาตาแล้วก็ในส่วนเวทนากับกจิตเนี่ยเป็นรูปนามก็ได้เป็นนามรูปก็ได้เป็นนามล้วนๆก็ได้ตัวนี้สำคัญถ้างั้นเราก็ใช้เวทนาใช้จิตไม่ถูกก็โอกาสที่เราจะพัฒนาอารมณ์ขึ้นไปสูงก็ยาก เหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้ไม่ครบสูตรของเขาเนี่ยเรารู้จักหน้าที่ไม่หมดเราก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้ถึงที่สุดแต่ถ้าเราได้รู้หน้าที่ของโปรแกรมแต่ละตัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ใช้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดหลักการเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยนะในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นนามรูปอ่าและเป็นธรรม เป็นน้ำล้วนๆก็ได้ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาศึกษากันดูนะเช่นเวลาเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกทางกายก็เรียกเป็นรูปเพราะรูปของความรู้สึกที่เป็นเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงแล้ว ความรู้สึกนี่เกิดจาการูปหรือรก็รูปนามแต่ถ้าเราไม่มีนามเลยเนี่ยเราจะรู้สึกอาการของกายไหมไม่มีเหมือนคนตายตายไปแล้วจะไปจิกไปจิกไปคนไปเผามันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่มีนามทีนี้ไม่มีนามก็จึงไม่มีเวทนาไม่รู้สึก แต่เมื่อมีกายมีความพึ่ง ก, กายเรียกว่าเวทนาแต่เวทนาเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะเวทนาทางฝ่ายรูปหรือว่ากายแสังขานเวทนาในฝ่ายนามคือจิตเรียกว่าจิตแสังขานนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เรานั่งเนี่ยร่างกายของเรารู้สึกต่างๆนานานเนี่ย <c oughs> เย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงไว้หิวปวดเมื่อยทุกอย่าง oh. เขาเรียกว่ามันเป็นรูปของสังขารเรียกว่ากายลสังขารสังขารมกายนี่มันปรุงแต่งให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของธาตุสีตามธรรมชาติของอนิจจังทุกขงกังอตตาปรุงแต่งกันไปตามตนถึงที่สุดแล้วที่ไหนมีรูปก็มีเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไหนมีรูปก็เรามีทุก ทีไหนมีรูปก็จะมีการแตกดับสลายยังเป็นอยู่อย่างเนี้ยกฎของมันเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเอาประโยชน์อย่างไรจากรูปเนยเราก็ใช้ตัวที่เราทำอยู่เนี่ยคือตัวทำนะตัวทำตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ทั้งที่เป็นทำที่เป็น ฝ่ายกุศลแะกุศลถ้าเป็นธรรมฝ่ายกุศลเราเรียกว่าสติสมาธิปัญญาแต่อาศัยนามเหมือนกันดี่ยความรู้สึกที่เป็นนามความจริงแล้วในตัวกุศลทั้ง3มเนี่ยมันก็พัฒนามาจากเวทนาทั้ง3ามเหมือนกันสุขเวทนาถ้าใช้สติใช้ทําอย่างถูกต้องแล้ว สุขเวทนาตัวนั้นเป็นฝ่ายกุศลทุกขเวทนาถ้าใช้นามเข้าไปมันสามารถที่เกิดให้เป็นฝ่ายอากุศลได้ทุกขมสุ ข, ขเวทนาถ้าหากว่าใช้ธรรมเข้าไปดูมันสามารถที่พัฒนาตัวเป็นอัพยากาธรรมได้เห็นไหม มันมั น, ม, นมันพัฒนาไปจากนั่นน ะ, ะถ้าเรามีสติเข้าไปกาหนดรู้ทุกอสุขก่อนสุขเวทนาเนี่ยเราก็จะไม่ติดสุขแต่เราใช้สุขเวทนาคือความเบาสบายเนี่ยให้เกิดกุศลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้นะแต่ถ้ า, ากว่าเราไม่ใช้ตัวกุศลเข้าไปอกุศลเข้ามาแทนที่ ตัวสุขเวทนาเราใช้ไม่ถูกไม่ฉลาดในการใช้สุขเวทนาดันนั้นสามารถพัฒนาให้เป็นกิเลสได้ที่ได้กล่าวเมื่อวานพัฒนาให้เป็นราคะพัฒนาเป็นกามชันทะพัฒนาให้เป็นโลภเห็นไหมสุขเวทนาตัวนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีสติถ้ามีธรรมเข้าไปประกอบสุขเวทนาดนนั้นกลายเป็นฝ่าย ทำให้เกิดความพอดีเนะีเหมือนที่ได้กล่าวถึงวัตถุไม่เกี้ว่าเกลือถ้าเราใส่แต่พอดีมันเกิดความเป็นรสอร่อยถ้าใส่เกินพอดีมันกลับเป็นรสเค็มถ้าไม่ใส่เลยอาหารกลับไม่อร่อยเหมือนกันเห็นไหมะฉนนั้นไอ้ตัวที่เข้าไปจัดการให้เกิดความพอดีหรือเกินพอดีคืออะไรก็คือตัวกุศลเข้าไปประกบตัวทุกขเวทนา สุขเวทนาให้เป็นกุศลขึ้นมาได้ในกุศลในหมว่นี้เลยว่าสติสมาธิปัญญาสุขเวทนาเลยกลายเป็นกุศลได้แล้วก็กลายเป็นนามเห็นไหมถ้ามันเป็นกุศลเวทนาสุขเวท น, นากลายเป็นนามเมื่อกี้เราบอกว่าเวทนาเป็นได้ทั้งนามทั้งรูปและเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ต้องตั้งใจฟังอยูน่นะสําหรับคนใหม่อาจจะสับสน อันนี้คือการเรียนเพื่อหเห็นลักษณะและขั้นตอนของธรรมแต่และตัวซึ่งจะไม่ลงลึกในแง่ของสภาวะแต่ว่ามันจะคาบเกี่ยวกันระหว่างตัวปริยัติและตัวสภาวะคือตัวสมมติบัญญัติและตัวปรมาณบัญญตัติดังนั้นเมื่อสุขเวทนาที่มีอากุศลเข้าไปประกอบก็คือไปสำคัญ มั่นหมายในสุขนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแน่เห็นไหมเมื่อใดเราไปสําคัญมั่นหมายสุขเวทนาเป็นเราเป็นของเราอากุศลเกิดทันทีแล้วมันก็จะไปยึดสุขเป็นของเราก็แสวงหาสุขแล้วในการแสวงหาก็ตัณหามันเข้ามาแล้วเพื่อจะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกุศลก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตัณหา เกิดความอยากเกิดราคะเกิดโลภะเกิดเพราะสุขเวทนาเพราะมีความไม่แยบคายคืออกุศลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เป็นสุข น, นั้นและในขณะเดียวกันถ้าสุขเวทนาตัวนี้เราเข้าไปปฏิเสธสุขนะ ข้า ป, ปฏิเสธสุขว่าโอ้สุขเนี่ยมันไม่ดีนะถ้าให้เกิดราค้โทุศะทําให้เกิดโมหะท่านบอกว่าอย่าเอาสุขเลยเราก็ปฏิเสธสุขแต่พยายามที่จะทํารูปนี้ให้มันทุกท่านบอกว่าทุกนี่เดี๋เราจะเห็นทุกคชัดเราไปสําคัญทุกเป็นตัวตนอีกไปสําคัญสุขเป็นตัวตนแล้วมีวิภาวะตัณหาเข้าไปประกอบคือปฏิเสธด้วยวิภาวะเนี่ย ไอตัวภาวะตัวการมารตัญหาคือตัวรับเข้าไปไอตัวภาวะตัญหาเนี่คือตัวพยายามที่ให้มันทรงอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อย่างจะอยากให้มันทรงอยู่ <c oughs> แต่เมื่อมันไม่ทรงอยู่ก็เกิดการปฏิเสธเรียกวิภาวะคือปฏิเสธสุกอ น, นั้นหรือทุกเกิดขึ้นก็ปฏิเสธทุกอ น, นั้นอันนี้หมายถึงว่ามันกลายเป็นเวทนานั้นกลายเป็นนามรูปขึ้นมาแล้วเห็นไหม นำลูปายอากุศลอันนี้ละเอียดขึ้นนะถ้าหากว่าไม่ไม่ทันแจะก็ฟังไว้ก่อนก็นแล้วกันมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆเมื่อเรามีตัวสติสมาธิปัญญาเข้าไปประกอบในสุขกดีในสุขเวทนากดีในทุกขเวทนาในอุกามสุขเวทนากดีทั้งสามตัวนี้กลายเป็นกุศล กลายเป็นน้ำนะทีนี้ถ้าหากว่าตัวไม่แยบคายหรือตัวไม่ฉลาดในการเกี่ยวข้องกับสุขกับทุกข์กับสภาวะที่ยังไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่แยบคายไม่ได้สัดับ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาเราก็ไปสำคัญสุขทุกข์ <c oughs> นี่เป็นเป็นตัวตน เขาเป็นตัวตนความอยากเขเข้าทันทีอวิชาตอันหาประทานเข้าทันทีก็เกิดเป็นอัตตาขึ้นมาไปสําคัญสุขทุกนี้เป็นตัวเราของเรานารูปฝ่ายอากุศลก็เกิดคือคิดเป็นเลือกเป็นลาวขึ้นมาเมื่อนารูปฝ่ายอากุศลเกิดก็เป็นที่ตั้งของความ <c oughs> เปลี่ยนแปลงของแต่ละคืออันนี้จางทุกข์ขันอัตตาต้องเกิดอันนี้ตามกดสากลของมันเลยทำนี้ ผู้ริจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามท่านบอกมีอยู่ก่อนแล้วแต่ผู้ริจ้าและพระหันทั้งหลายอุบัติขึ้นเพื่อที่จะมาชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงจุดนี้เท่านั้นแล้วเราก็ทําตามแล้วก็พิสูจน์แล้วผู้ริจ้าทุกพระองค์อะ่ะก็จะมาชี้บอกเรื่องนี้นะทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องกายกับเวทนาที่เป็น นามก็ได้ที่เป็นรูปก็ได้ที่เป็นนามารูปก็ได้อย่าไปสับสนนะแต่ตัวแปลงที่มันเป็นไปต่างๆขึ้นอยู่ตัวไหนขึ้นอยู่กับธรรมที่เป็นกุศลอกุศลแต่ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นขาดอยู่นิโสมนิสิการขาดความแยบคาย เพราะฉะนั้นมันจึงโยงไปสู่ตัวสมาธิที่โดยดีเรี่ยงไม่ได้ทําทั้งหมดไม่เกี่ยวพันกันนี่ถ้เราแยกออกมาเป็นส่วนเพื่อการศึกษาแต่ในแง่ของภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรวมทั้งหมดเหมือนกับรถแกงที่รวมเครื่องแกงทุกชนิดเข้าด้วยกันมันออกมาเป็นรถเดียวคืออร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบเหมือนกันรถแห่งการรู้ธรรมเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกุศลอกุศลมันเป็นสุขเป็นทุกข์ เราสมมติว่าสุขว่าเป็นอร่อยสมมติทุกขคือไม่อร่อยนะดังนั้นเราก็จะพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างระมัดระวังในแง่ของการนำเสนอเนี่ยก็ไม่อยากจะให้รู้เรื่องสภาวะอย่างเดียวแต่ให้เรื่อง ร, รู้เรื่องสมมติมันไปด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะเราจะได้สร้างกุศลเป็นเหมือนกับเรา รู้เรื่องที่จะกินอย่างเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าไอ้แกงที่จะแกงในแกงอย่างไรอย่างคนสมัยใหม่ทำกับข้าวไม่เป็นพอะจะกินทีก็นุ่นไปร้านอาหารไปซื้ออาหารสาเร็จรูปมากินเมื่ออาหารสาเร็จรูปไม่มีหรือร้านไม่มีไม่มีอะไรจะกินนะกินไม่ถูกฉันใดก็ดีพวกที่จะเอาแต่สภาวะอย่างเดียวโดยปฏิเสธสมมติหรือปริยัติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้น เมื่อมันขาดขึ้นมาก็ไปไม่ได้หรือพวกที่รับแต่ปริยัตหรือสมมุติอย่างเดียวที่ไม่รับสภาว ะ, ะก็เหมือนคนที่ปรุงแกงเป็นรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้กินทําขายอาหารอะไรๆทำขายโดยตัยวเองไม่ได้กินต่างกันไหมคนหนึ่งได้แต่กินแต่ไม่รู้จักทําไอ้คนหนึ่งได้แต่ทําแต่ไม่รู้จักกินพวกที่สุดตรงทางด้านปริยัตและด้านสภาวะ หรือพวกที่สุดตรงทงด้านสมมติกระดานปรมัิเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้งสองอย่างให้สมดุลกันรู้จักกินอาหารด้วยผลิตอาหารเป็นด้วยปรุงอาหารเป็นด้วยนะอันนี้มอนกันให้รู้จักสภาวะที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับตัวเองจริงๆและรู้จักวิธีแก้ไขรู้จักวิธีกําจัดรู้จักวิธีบำบัดและรู้จักวิธีเพิ่มพูนด้วย นี่เขาเรียกว่าเรารู้จักทั้ส่วนทั้งเป็นตัวสภาวะและตัวที่เป็นประยัดเรียกว่าสมมติบัญญตัติแล้วประมาณบัญญัติรู้ทั้งสองส่วนนี้เรารู้ว่านิวรณ์ทุกตัวเนี่ยมันเป็นอกุศลไม่ว่าความกาม m ฉันทะความหงุดหงิดความง่ว ง, งเงาเขานอนความปรุงแต่งฟุ้งซ่านความลังเล่สงสั ย, ยมันเป็นอกุศล ถ้าหากว่ากุศลธรรมของเราไม่เข้มแข็งคือสติสมธิปัญญาในที่นี้ <c oughs> หมายถึงกุศลธรรมเนี่ยไม่เข้มแข็งนิวรณ์แต่ละตัวก็คร่อบงําเราทำไมจึงครอบงําเพราะเราจัดการไม่เป็นทำไมจึงไม่เป็นเพราะเราขาดความแยบข่ายเห็นไหมมันจะโยงกันยิ่ขาดความละเอียดทีถ่วนเมื่อขาดความละเอียดทีท่วนเราไปสำคัญนิวรณทั้งห้าเป็นไร เป็นอัตราตัวตนเป็นเดาโอ้เราง่วงโอ้เราไม่สบายโอ้เราฟุงา้งซ่านโอ้เรางุนหงิดโอ้เราลำคาญไปสําคัญนิวรังห้าเป็นตัวตนขึ้นมามันก็เลยมีเรามีเราเราเข้าไปเสวยความทุกข์อ น, นั้นนิวรณ์ตัวนั้นเห็นไหมไอความไม่แยบใครจึงเป็นเหตุสําคัญมากล่าวบ่อยๆว่าองค์คุณที่จะทําให้เกิดตัว มรรคผลเบื้องต้นของมรรคผลเนี่ยมีสองประการซึ่งได้กล่าวบ่อยมากระหว่างกิริยานิมิตรและอยู่นิ ส, นสูมันทศนการธรรมะคู่นี้แหละเป็นประตูแห่งมรรคแห่งผลเหมือนประตูมันมีสองบานเปิดบานใดบานหนึ่งออกได้เข้าไปสู่ตัวมรรคผลซึ่งหลายคนที่ได้ฟังเทปฟังซีดีเขาทำมาแล้วมันเน้นเรื่องนี้บ่อยมากเพราะฉนั้นในที่นี้จะไม่กลับมาเน้นอีกระหว่างกิริยนิมิตรและ อยูนิสมนุสิกานแต่ในที่นี้อ้างเข้ามาเพื่อประกอบให้เห็นชัดว่าไอ้ความเป็นตัวตนมาจากอะไรความเป็นอคุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเรามาจากอะไรเกิดมาจากสองอย่างนี้หนึ่งเราฟังกะะัลยาณมิตรครูบาอาจารย์แล้วเข้าใจสองเรานําไปใช้ถูกอันนี้ก็จะเกิดโยนิโสมนสิการแต่ถ้ามันเป็นทุกกันข้ามฟังครูบาอาจารย์แนะนําแล้ว เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกนำไปใช้ใช้ผิดหรือใช้ไม่ถูกก็เกิดไม่แยบขายไม่ถูกเมื่อมีอะไรสภาวะเกิดขึ้นเช่นนิวรแต่ละตัวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราแทนที่จะเข้าไปกำหนดด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยการรู้ท่อทันเราไปเห็นว่ามันเป็นเราเห็นมันเป็นรูปนี้ความง่วงไม่น่าจะมารบกวนเราเลย เราไปเห็นความม่่งว่าเป็นตัวตนแต่คน ม, มุ่งมันไม่ไม่ได้มีแต่ที่มันมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไอ้การรู้เหตุปัจจัยของความม่่งเราเรียกมีอยู่ในโสมนัสิกานเพราะความม่่งเกิดขึ้น เ, นเพราะอะไรหาเหตุให้เจอเพราะนอนน้อยไปหรือเปล่าเพราะทานเข้าเยอะไปหรือเปล่าเพราะทานยาบางอย่างที่ก็ทําทให้ไปกดระสารหรือเปล่าเพราะบรรยากาศมันช่วยหรือเปล่าเพราะสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าเพราะโรคบางอย่างหรือเปล่า เราลืมในการที่จะสืบค้นหาเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเพราะเราก็ไปสมมติรวมว่าไอ้ความรู้สึกง่วงเป็นเดาเป็นของเรามันก็คิดไม่ออกแล้วทีนี้มันก็จะเป็นไปนตามอานาจของมันเราเรียกว่าสําคัญมันหมา ย, มายว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นตุน้ น, นเป็นแท่งของความ ง, ง่วงยิงความง่วงไม่ได้มีแต่มีเพราะเหตุ ป, ปัจจัยสมมุติว่าเอาละคนไฟอะความไฟถามว่าคนไฟเนี่ยมันมีกว่า่อนไหมก่อนหน้านี้ มันไม่มีถ้ามัน ม, มีมาจากอะไรล่ะแล้วก็หาเหตุเอคนไฟพ่อหนึ่งมีคนจุดสองมันมีไฟเกิดขึ้นสามมันมีควรเกิดขึ้นข้บาบเจดอประกอบเกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่ก่อนหน้านี้คนไม่มีแต่มันมีพ่อเหตุปัจจัยสมมติความง่วงเหมือนคนไฟที่เข้าหูข้ อ, ข อ, ขอตาเราครอบ ง, งํา ม, มืดสลือเนี่ยเราก็หาเหตุแบบเดียวกัน การที่เข้าไปจัดการมีสติมีสมาธิปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอกุศลที่เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างแยบคายมันกลับเป็นกุศลเกิดขึ้นเลยนิวรตัวง่วงแทนที่มันจะเป็นอกุศลมันเกิดเป็นกุศลเพราะอะไรเพราะความแยบคายเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนสภาวะที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลได้ตัวแปรสําคัญคือ อยู่ในส่วนบริการคือความแยบคายความถีทถ่ท่อนถี่ท่วนในส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันเช่นเราเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจรู้หนาบ้างร้อนเกินไปบ้างหรือดิวรตัวอื่นมารบกวนเรารู้สึกไม่สนุกไม่พอใจบ้างเราจะสะเกตยได้ว่ามันต้องมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนมันถึงจะเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกไม่พอใจสติสมาธิปัญญาเข้ามา ท, าทันทีอ่อ นี่เป็นความรู้สึกนี่แล้วเขาไปจัดการไปดูความรู้สึกอันนั้นความรู้สึกอันนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นความรู้สึกที่มีสติปสัสังธิปัญญาเขาไปประกอบปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกเป็นกลางทันทีคือเป็นกลางท่านเปรียบเสมือนสีเนี่ยนะสีบางอย่างเนี่ยเราเอาน้ำเอาน้ำมันอะไรไปล้าง มันก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมแต่พอมีเคมีบางตัวเข้าไปปนสีโดนนั้นสีโดนนั้นมันสลายทั้งรสทั้งชาติทั้งกลิ่นทั้งสีเปลี่ยนไปเลยเป็นกลางไปเลยมีใช่ไหมลักษณะทําให้เป็นกรดเป็นด่างดังนั้นกิเลสหรือนิวรณ์บางตัวเนี่ยเราจะเอาสติปัญญาธรรมดาเข้าไปแก้ไขเนีน่ยมันไม่ได้เหมือนเราจะเอาน้าเอาน้มันไปล้างเนี่ยมันไม่เปลี่ยน มันจะต้องใช้สติปัญญาะระดับสูงเรียกว่ายานปัญญาไอ้ตัวยานปัญญาเหมือนน้ายาเคมีที่มีความเข้มข้นนะลึกสามารถได้ทําตัวสีเดีวนะั้นให้เป็นกลางได้หมดสภาพเป็นสีไปเลยทําเป็นกดเป็นดังให้เป็นกลางไยเนหะ็นไหมหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มีอยู่หลักข้อวัตถุเขาก็มีอยู่จิตเราก็เหมือนกันที่มันเป็นปรุงแต่งด้วยรูปด้วยเสียงด้วยรสไอ้แรงต่างขึ้นมาเป็นสีสันเนี่ย ถ้าหากเอาสติสัมยาธรรมดาไปแก้ไขเนี่ยแก้ไขแล้วไม่ได้คิดอีกแก้ไขแล้วมันเกิดสคัญว่านมาอีกเพราะว่าความเข้มข้นมันไม่พอนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาสติสัมยาธรรมดาให้เป็นญาณปัญญานะเป็นญาณปัญญาพอมันมีความคิดการปรุงแต่งเข้ามาปับ๊บถ้าสติไปกําหนดรูปปัญญาไปกําหน ด, ดเห็นเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่วางเพราะความเข้มข้นสติปัญญาตรงนั้นไม่พอ พอสติปัญญานั้นเข้าไปกําหนดรู้อีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นกายเป็นญาณปัญญาเรารู้ว่ายังไรว่าเป็นญาณปัญญาเพราะความคิดที่เข้มข้นปรุงแต่งมันสลายทันทีเป็นกลางทันทีเราถึงรู้ว่าอ๋อสติปัญญาที่เราเข้าไปกําหนดนี่เป็นญาณปัญญานะไม่ใช่สติรธรรมดาเมื่อกี้เมื่อก่อนหน้ามันเป็นสติรธรรมดาเพราะว่าความคิดปรุงแต่งตัวนั้นมันยังไม่สลายมันคือยังค้างค้างคาคาอยู่เขาเข้าออกอยูออ่ออ เหมือนเราใช้น้ำธรรมดาเนี่ยไปล้างสีล้างน้ำมันบางอย่างมันไม่ออกอย่าว่าแต่สีไม่แต่น้ามันการน้ำมันหมูเนี่ยาเอาน้ำธรรมดาไปล้างทาไมใช้สบู่ไม่ใช้อะไร่างมันก็ไม่สลายเหมือนกันใช่ไหมนี่คือเราต้องรู้หน้าที่ของสติไม่ใช่อะไรเป็นสติเข้าไปแก้ไขได้หมดไม่ใช่สติตรงนั้นต้องพัฒนาให้สูงขึ้น แล้วเราก็เรียกต่างไปถ้าพัฒนาให้สูงขึ้นสามารถแก้ปัญหา <c oughs> ที่สำคัญได้ปัจจุบันทันทีเนี่ย <c oughs> สติโดยมันกลายเป็นญาณแล้วยาณตดีวนี้เขาก็มาแบ่งเป็นเยอะแยะนะแบ่งเป็นถึงสิบหกขันละญาณสิบหกอะเร แ, แต่นามาลู่ปฏิเชษทะญาณส ม, มัชนะญาณ อุพยพยายะานพังคยานจินทะยานอะไรไปเรื่อยๆจนไปถึงปัจเจเวคณาญาณถึงสิบหกขันเอามาแยกย่อยตรงนั้นน่ะซึ่งเอาตัวสตินั่นแหละไปแยกย่อยตามความเข้มข้นของของของตัวรู้นะดัง น, นั้นเราจึงทําตัวรู้สึกตัวนี้บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้สติเนี่ยมันได้แปลงเข้มตัวจากธรรมดาเหมือนกับเราตุ้ม เนี่ยต้มข้าวต้มข้าวตอนแรกๆมันเดือดเนี่ยมันก็เป็นเม็ดข้าวสุกธรรมดาเพราะต้มไปนานข้าวนี่เป็นข้าวต้มที่เม็ดแตกกระจุยกระจายมันกลายเป็นข้าวต้มไม่ใช่ข้าวหุงละถ้าหากว่าใช้ไฟขนาดนี้ใช้ความเวลาขนาดเนี้ยมันเป็นข้าวหุงแต่ใช้ไฟมากกว่านี้ใช้เวลานานกว่านี้มันกลายเป็นข้าวต้มเห็นไหม มันก็พัฒนาไปมันก็คือข้าวนี่นแหละคือสตินี่แหละเราใช้ความเพียร น, นานเข้าใช้ความพยายามนานเข้าและความเพียรที่สูงกว่านี้มันก็จะกลายเป็นยานเป็นปัญญาเป็นวีมุตไปตามลําดับของมันอันนี้คือการพัฒนาการนะที่ให้ชี้ให้เห็นด้วยการกุศลธรรมที่เข้ามารู้กายกับเวทนาที่ที่เริ่มต้นไม่เกียร แต่มันยาวไปถึงเรื่องของยานนะเพื่อจะเห็นวิวัฒนาการของสติเท่านั้นเองและเราจะไม่สงสัยว่าทำไมเราทำพวอมเพียนเยอะหรือเกินทั้งวันนะทั้งวันถ้าสมมติว่าเราเปรียบให้เห็นข้าวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสั้นไปเคยเห็นเขาหลอหลอมพระไหมพระทองเหลืองทองคำอะไรใช่ไหมเขาจะหลอเลยได้ไหมไม่ได้ ทำยังไงก็ต้องเอาทองเหลืองทองคําเนี่ยไปหลอมไปเผาเสก่อนเผากี่วันมันถึงจะหลอมถ้าไฟอ่อนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสที่จะหลอมเลยใช่ไหมก็ต้องาใช้ไฟสูงมากเราก็ใช้เวลาด้วยใช้ความร้อนและใช้เวลาด้วยทำไมาจึงหลอมเพื่อหนึ่งเหมาะสมแก่การที่จะไปเทเป็นตน้นเป็นตัวของสิ่งที่ต้องการสอง ธาตอันไหนที่มันไม่ใช่ทองเหลืองทองคาเนี่ยมันก็จะถูกกระจัดออกไปชั้นใดก็ดีสติที่จะพัฒนาให้มันเป็นญาณเป็นญานระดับสูงเนี่ยเราก็ต้องหลอมตัวสตินี้ไปเรื่อยๆและในการหลอมนั้นแน่นอนต้องใช้ความร้อนสูงคือความเพียรสูงและความเพียรสูงแล้วต้องอาศัยการเวลาอีกด้วยและต่อเนื่องด้วยไม่ใช่เผาเ ต, ติดดับดับก็ไม่สามารถจะหลอมได้เหมือนกันอันนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์เพราะต้องการพัฒนาอุณหภูมิของตัวสติสมาธิปัญญาให้มีภูมิสูงขึ้นแล้วก็ใช้เวลาต่อเนื่องนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเก็บอารมณ์นะดังนั้นเราจะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเราจะต้องแจ่มแจ้งเรื่องนี้ด้วยใจจริงๆแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะ ด้วยการแยกยอยดึกที่นี้แจ่มแจ้งด้วยใจนะก็ทำสิ่งนั้นบ่อยๆก็เหมือนโยมทำอาหารานะพอนึกจะทำอาหารชนิดไหนเนี่ยม น, นึกออกทันทีว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรใส่เครื่องแกลงอะไรบ้างแล้วก็ลดมันออกมาอย่างรู้เพราะทำสิ่งนั้นทุกวันโดยเฉพาะใ้ครัวเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาสั่งอาหารอะไรมานี่ททำได้ทันทีเอาแกงเลื้งนะเอาต้มยานะเนี๋ย นึกออกแล้นึกออกทันทีว่าตุ่มยำควจะเริ่มต้นอย่างไรใส่อะไรเข้าไปบ้างสภาวะธรรมก็เหมือนกันเราต้องการสภาวะธรรมตัวไหนอ่ะต้องศึกษาตัวนั้นให้เรื่อยๆบ่อยๆเหมือนเราทํากับข้าวทุกวันจะกินอะไรสั่งมาจะเอารถแบบไหนอการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราอยากจะให้เมตตามันเกิดคนจะทําอย่างไรสั่งเอามีเมตตารู้ว่าเมตตามต้องมาอย่างนี้เริ่มต้นอย่างไร เราอยากจะให้อุปเเกขามันเกิดก็เหมือนสังอาหารว่าเอาอาหารชนิดนี้นะเราก็รู้ทันทีว่าอุเบกขาจะเกิดเนี่ยมันประกอบด้วยองค์อย่างไรเราก็เริ่มทำได้ทันทีนี่คือการศึกษาความจริงของของสภาวะวเราต้องทำให้ชำนิชำนานเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านร่วมการ ผ, าผ่านเวลามาอย่างถูกต้องเนี่ยยาวนานก็เหมือนกับใม่ครัวพ่อครัวที่ผ่านการปรุงอาหารชนิด ต, ต่างๆมายาวนาน สามารถสั่งได้แล้วก็นึกได้แล้วเขียนตำราดได้ด้วยไม่ได้ต่างกันต่างกันด้วยว่าเป็นรูปธรรมและนามาทำเท่านั้นเองอาหารต่างๆที่เราจะต้องปรุงก็มันก็มีอวัยวะกเหมือนเหมือนกับจิตอะ่ะปลาเนี่ยเราจะมาปรุงเลยเอามากินเลยได้ไหมโดยที่ไม่ปรุงหรือมาปรุงแต่ปรุงไม่ถูกปลาทั้นกลายเป็นพิษทั้งท่านที่มันเป็นของดีนะ่ะแต่มันกลายเป็นพิษเขาบอกอาหารเป็นพิษมีไหมอ่า สภาวธรรมที่เรามาปฏิบัติเหมือนกันเป็นของดีอย่างเจริญที่ปัิสนาเป็นของดีอ้าวเจริญไปเจะ ม, มาทำไมเกิดเป็นเพี้ยนเป็นบ้าไว้ก็เยอะใช่ไหมเพราะอะไรวิปัสสนาเป็นพิษเหมือนกับอาหารเป็นพิษแหละจิตวิป ร, ปราดไปก็เยอะใช่ไหมแน่มันไม่ได้ต่างกันแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่แจ่มแจ้งในเรื่อง ของดวงตาเห็นธรรมเราจึงเห็นสภาพสองอย่างไม่ค่อยชัดหรือมีความชิดชำนาญ น, น้อยไปรู้ชัดอยู่แต่ความชำนิชำนาญเราไม่พอสมมติว่าเราจะทำน้ำพริกอย่างงี้นะน้ำพริกไทยน้ำพริกลาวเนี่ยทำได้แต่บอกว่าทำน้ำพริกแบบฝรั่งทำยังไงก็ออกมาเป็นน้ำพริกเป็นงไงแต่ฝรั่งกิ่ไม่ได้เพราะมันน้ำพริกฝรั่งสไตล์ไทยสไตล์ลาวเงี้ยเห็นไหม สภาวธรรมบางอย่างเราเข้าใจนะมันเป็นอย่างไรแต่เข้าใจในสไตล์ของของศาสนาพุทธแต่ว่าสภาวธรรมที่จะไปใช้กับศาสนาคริสที่มีพื้นฐานมาแบบคริสเนี่ยเรายังไม่มีความประสบการณ์ไม่มีความชิดเทอย่างนั้นแต่เราก็ทําไม่ถูกเหมือนกันถึงแม้จะทําเป็นแต่ก็ทําไม่ถูกเพราะมันมันคนละนั่นเราจะเอาศาสนาพุทธไปสอ น, สนคนคริสเนี่ย เราก็ต้องทําเข้าใจธรรมเนียมของคลิสก่อนเราถึงจะพูดไปสอนเขาได้ลักษณะนี้เหมือนกันนั่นก็คือจะต้องมีการศึกษาพิเศษเออกไปอีกทำนาพิกแบบไทยลาวเนี่ยทํากันมานานแต่จะทําพิกฝรั่งก็ได้แต่ต้องศึกษาพิเศษหลักสูตรพิเศษเออกไปอีกต่อไปมันก็ทํำนาพิกแบบฝรั่งได้เราจะเอาพุทธศาสนาไปสอนคนคลิสเราก็ต้องไปศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมของคลิสเหมือนกันนี่คือยกให้เห็นว่า คุณธรรมบางอย่างถึงแม้เราฝึกฝนชัดเจนมาก็ตามแต่ว่าถ้าขาดความชนิชนานมันก็ยังใช้ไม่ได้เต็มที่ก็ทึกษาเรื่องนั้นเป็นพิเศษเหมือนกันดังนั้นในตัวเวทนาที่เป็นไปด้วยอำนาจของอนิจจังทุกขังหน้าตาเวทนาตัวนั้นยังเป็นรูปนามอยู่และเวทนาที่มันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญา เช่นเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งแข่งถึงประกอบด้ยวยสติเวทนาตัวนั้นกลายเป็นนามเป็นฝ่ายกุศลไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งนามทั้งรูปคือเป็นอย่างนี้ว่ามีอะไรเข้าไปประกอบมีทางฝ่ายกุศลหรืออกุศลเข้าไปประกอบเมื่อทำฝ่ายอกุศลเข้าไปประกอบมันเป็นรูปและเป็นนามรูปได้แต่เมื่อทำฝ่ายกุศลเข้าไปประกอบมันกลายเป็นนามและเป็นรูปนามได้ ดังนั้นตัวเวทนาที่เราศึกษาเมื่อเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากแต่เราก็ผ่านการเรียนมืเมื่วานแล้วันนี้ต้องการมันเน้นเรื่องจิตนะใ น, นเรื่องจิตว่าลักษณะของจิตเนี่ยมีอยู่กี่ลักษณะคร่าวๆง่ายๆเนี่ยลักษณะที่หนึ่งจิตเหมือนน้าใสสะอาดล้วนๆเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้บุพสารจิตลักษณะที่หนึ่งของมันนะฮะ มีอยู่ทุกคนมีอยู่เลยใช่ไหมเดี๋เ น, นี้ไม่มีความคิดใดๆมีแต่ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยแต่ความรู้สึกที่ที่เกี่ยวข้องในรูปขณะเนี้ยเรามีสติเข้าไปเกี่ยวข้องจิต ต, ตัวนั้นก็ยังสะอาดอยู่ยังเขาเรียกว่าจิตที่อยู่ในรูปนามยังไม่ได้ปรุงไอความปวดหรือทาไมปวดหดืเกิอนอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นนามรูปขึ้นมาแล้วพอเป็นความคิดจิตนั้นเริ่มกลายเป็นอะไรเป็นสังขารแล้วนะ กลายเป็นนามะลุบแล้วเป็นสังขารเป็นน้ำมะลุบแล้วรักษาตีเขาพนันเอาในความคิดนี่มันไม่ใช่ลกลับมาความรู้สึกไปน้ำมะลุบแล้วสังขารหายไปกลับมาอยู่น้ำเหมือนเดิมจิตนั้นสะอาดเหมือนเดิมเรารู้ว่าดักน้ําใสาๆนเนี่ยเอาใบไม้มันตกลงไปรีบหยิบใบไม้นั้นออกซะน้ําก็ไม่เสียือกระดาษมันตกไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่กระดาษชิ้นหยาบๆล่ะมันเป็นผงละเอียดล่ะ เราก็ไม่เห็นเหมือนกันหยิบออกไม่ได้เหมือนกันนี่คือจิตประเภทที่สองเขาเรียกว่าสังขารตัวไหนเข้าไปปรุงอ่ะราคะเข้าไปปรุงโทษาเข้าไปปรุงโมหะเข้าไปปรุงกลาย เ, เป็นสังขารในนามรูปนี่จิตประเภทที่สองเรียกว่านามรูปจิตประเภทที่หนึ่งเรียกว่านามเฉย หรือนาม ร, รูปนามก็ได้เพราะมันอาศัยรูปเกิดแต่พอมันมีอะไรตกเข้าไปแล้ ว, ลวเราสติมาไม่ทันเหมือนกับกระดาษหรือใบไม้ตกตรงไปแช่เป็นนานๆกระดาษใบไม้กา ย, กายทําให้น้ําเสียไหมเสียน้ํามันก็เริ่มเน่าแปลตามสภาพแต่ถ้าหากว่ามีฝุ่นมีผงตกเข้าไปมันอาจจะไม่เสียทันทีปล่อยไว้นานๆก็เสียเหมือนกันนี่จิตประเภทที่2เรียกว่าสังขารด้วยนมามรูปแล้วจิตประเภทที่สาม นะจิตประเภททีสามเราเรียกว่าธรรมารมณนะ์ตัวเนี้ยอย่างสมมุติบางครั้งเนี่ยเราคิดมันก็ไม่ใช่ไม่คิดมันก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเจตนาที่จะคิดมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีอยู่ใช่ไหมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลักษณะนี้มันยังไม่ใช่กุศลอกุศล ลักษณะนี้เราเรียกว่าธรรมารลมมันพร้อมที่จะเป็นกุศ ล, ลกุศลถ้าหาเราเข้าไปรับรู้มันโดยตรงๆชัดๆมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ไปตัดละ่ะรู้รู้ว่าเดี๋ยวแว บ, บเรื่องนั้นเดี๋ยวแว บ, บเรื่องนี้เดี๋ยวแว บ, บรู้มันไปเรื่อยๆลักษณะนี้ก็เป็นกุศลแต่ถ้ามันแว บ, บไปแวบบมาโดยที่เราไม่ไปรับรู้มันเป็นอกุศล <c oughs> เขาเรียกตัวนี้ว่าธรรมาลม ถ้อกุศลตันั้นมันก่อให้เกิดเป็นอกุศลโดยธรรมชาติเราเรียกว่าสันชาติยานซึ่งตัวธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นตัวแปรที่จะให้เกิดรูปนามพิณา ม, มารูปได้เพราะมันเป็นคุณต่อเ น, นื่องไปซึ่งเราจะพูดถึงธรรมอารมณ์ในวันต่อไปแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องลักษณะของจิตก่อนว่าจิตมีสามลักษณะลักษณะที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ยเรียกว่าพุท ธ, ธจิตพุทธภาวะแล้วก็จะเรียกโพธิจิต หรือประพัฒสระจิตเราจ ะ, จะเรียกแต่คือตัวนี้ตัวรู้สึกตัวรุนรุนนี่แหละแล้วพูดทางกูลอย่างเงี้ยนะคือจิตรู้รู้เฉยเฉยรู้แต่เราเข้าไปศึกษาเข้าไปรับรู้เราจะเดิญสติก็อยู่ต้องการให้จิตอยู่กับประเภทนี้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อ่าแต่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเพราะอะไรเพราะจิตของเราเราอยู่กับจิตประเภทที่สองมานาน ที่เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายมาทุกภพผูพพ้ชาติเขจิตประเภทที่2นี่แหละเราเห็นว่าจิตประเภทที่สองเนี่ยมันอยู่ในภายใต้อํานาจของอนิจจังทุกขังนาตามันจึงก่อให้เกิดทุกวิบากกรรมเกิดแก่เจ็บตายมาตลอดภพดตัแวแร้เพราะจิตประเภทที่2เราจึงอยากจะพ้นจากสภาวะทุกอย่างนนั้เราต้องการกลับมาหาจิตประเภทที่หนึ่งคือประพราสระจิตพุทธจิตโพธิจิตหรือ กุศลแะจิตเราต้องการจิตประเภทนี้เราก็ดึงมาปฏิบัติเทีนี้จิตประเภทที่สองเนี่ยเราจะแปลให้มันเป็นประภัสตรจิตก็ได้แปลงให้มันเป็นธรรมอารมณ์ก็ได้แล้วแต่ถ้ามันแปลงอามมันแปลงของมันเองโดยที่เราไม่รู้เรียกว่าสัญชาตญาณแต่ถ้าหากว่ามันเรารู้แล้วก็มีเจตนาที่แปลงกลับเข้ามา มันก็เป็นตัวปัญญาญาณเนี่ยมีลักษณะเนี่ยเราใช้คำว่ากุศลแลธรรมอกุศลแลธรรมอภยากรตธรรมกุศลลจิตอกุศลลจิตอภยากตจิตตามภาษาพริยัติแล้วเราจะเห็นว่าตัวเวทนาตัวจิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดถ้าเราต้องการรักษาประพัส ร, รจิตนี้ให้คงอยู่จนเป็นนิสัยเนี่ย ก็ต้องปฏิบัติให้จิตของเรามาสัมผัสกับตัวรู้ตัวเนี้ใจของเราเนี่ยให้มันมาเป็นตัวเนี้ตัวกลางเนี่ยบ่อยๆทำบ่อยๆทาบ่อยๆนะเหมือนก็เลยเราเป็นช่างทำสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะรู้นะเพรานะนั่นช่างเนี่ยมันจะขี่รถแบบไหนก็ได้ขี่รถเก่าก็ได้ขี่รถใหม่ก็ได้มันไม่กลัวเสียเพราะมันรู้จักซ่อม หรือแม่ครัวพ่อครัวน่ยจะกินอาหารแบบไหนก็ได้พอบลุงได้เองอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็จะลดแบบไหนพอบลุงได้เองเพราะทํามาจนชิมิชม้ำนาญจิตของเราเนี่ยถ้าหากจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยทําทบุญก็ไม่เป็นบุญทําบาปก็ไม่เป็นบาปเพราะมันอยู่เหนือจิตมันอยู่เหนือบุญเหนือบาสนะฮะดังนั้นเองจุดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกว่าลักษณะของจิตที่จิต เดิมแท้คือสติสมถทิปัญญานี่เองแล้วจิตที่เป็นสังขารมีสองลักษณะจิตสังขารที่ประกอบด้วยความรู้ตัวบางครั้งเราต้องการใช้ความคิดใช่ไหมวันนี้จะปฏิบัติอย่างไนวันนี้จะไปไหนวันนี้จะกินอะไรมันมีแพลนขึ้นมาและประกอบด้วยสติความคิดที่ประกอบด้วยสตินี่เราเรียกว่าปัญญาเพราะงั้นเราจะ ไม่ใช้จิตเลยเราจะอยู่ได้ไงชีวิตนี้ใช่ไหมต้องตัวกอบอาชีพรำอาหากินต้องศึกษาต้องฟังฟังแล้วต้องคิดตามต้องเข้าใจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาสูตรตามยาปัญญาเพราะมีสติในการฟังแต่ขณะเดียวกันคนหนึ่งขาดสติฟังอยู่แต่ว่าจิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาหรือจิตคิดปรุงแต่งไปเรื่องข้างนอกตัวนั้นแทนที่มันจะกลายเป็นปัญญาขาดสติมันกลายเป็นอะไรทันทีเป็นสังขารเป็นอกุศลทันที เห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นกลางแล้วแต่จะใช้นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นของอดีของเสียนะขึ้นอยู่กับเราจะใช้น้ำเนี่ยน้าสะอาดเนี่ยมันเป็นกลางใช่ไหมทีนี้เราจะไปใช้ปรปุงอะไร อ, ะอ่ะปรุงกาแฟมันก็ไปรดกาแฟเอาไปทำแกง ม, มันก็ไปรดแกงเอาไปปรุงใส่นมมันก็เป็นนมเอาไปใส่อะไรมันก็เป็นอนนันนั้นอันนี้เ้าเรียกว่า จิตที่เป็นกลางคือจิตเดิมแท้เนี่ยเราควรที่จะใช้ให้เป็นแต่ถ้าเราไม่รู้จิตจากจิตเดิมแท้เหมือนกับเราไม่มีน้ําสะอาดอยู่ในบ้านเลยเราจะกินทีไรก็กินแต่น้ำสกปรกพราเรามันปรุงทิ้งเอาไว้ละแล้วลคนก็ไม่ชอบกินน้ำสะอาดเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกลิ้นไม่ถูกป า, ากจะกินน้ําปรุงแต่งอะไรคนก็ไปโลคไข้ไข้เจ็บเราก็หันกลับมาต้นตอเดิมคือมากินน้ําสะอาดใช่แล้วกินน้ําปรุงแต่งให้น้อยมันก็ล้างกันไปนี่ในแง่ของรูปกายนะ ในแง่ของนามคือจิตก็เหมือนกันอาการที่จิตปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีโพธิจิตอยู่เลยไม่มีประพัฒนจิตอยู่เลยเนี่ยจิตท้งของเราก็แปลปรนเป็นทุกข์เราเวลาจะไปชำระล้างก็ไม่มีแล้วเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนที่จะรักษาตัวสติคือโพธิจิตนี่เอาไว้เหมือนกับน้ําสะอาดเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไปชำระล้างไม่เป็นละเพราะไม่มีตัวนั้นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ก่อกําเนิดเอาไว้เพราะฉะนั้นที่เราสร้างตัวเนี่ยคือสร้างตัว จิตเดิมแท้จิตเป็นกลางเราจะเรียกว่าอุปเปยขาก็ได้แต่มันก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนะด้วยความเป็นกลางทําให้เป็นกลางเหมือนที่กล่าวมาเมื่อกี้ทําให้จิตที่ปรุงแต่งกลับมาเป็นกลางได้ทําให้น้ําสีกลับมาเป็นกลางได้เพราะอาศัยสารเคมีทําให้จิตปรุงแต่งกลับมาเป็นกลางได้เพราะอาศัยโดยสติตัวญาณปัญญาตัวนี้เข้าไปเมื่อเรารู้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราเพียรอย่างถูกต้อง ่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเปลี่ยนเพื่อเอาอะไรแต่ไพ่รู้ความจริงความสุขเราก็ไม่เอาความทุกข์เราก็ไม่เอามรรคผลนิพพานก็ไม่ต้องไปพูดถึงเมื่อเราทําถูกแล้วมันเป็นของมันเองแต่ถ้าเราหวังแล้วถ้าทําไม่ถูกอะ่ะถึงหวังขนาดไหนมันก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรก็ไม่เป็นเพราะเราทําไม่ถูกแต่เมื่อเราทําถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์ตามความเปจริงของเขาแล้วถึงเราไม่หวังมันก็เป็นนะมันก็มี ดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เข้าใจว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องจิตเวลาเราสวดสาราคัมงวรจิตตังสาราคัมงจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะวีตาราคังวีจิตตังวีตะราคังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะก็ว่าให้จิตให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะให้รู้เท่านั้นนะนะให้รู้ พอตัวรู้เข้าไปปั๊บเนี่ยไอ้ราคาหรือไม่มีราคามันเป็นกลางทันทีถ้าหากว่าเราไม่มีตัวรู้ที่เข้มข้นเนี่ยราคาเกิดขึ้นพยายามที่สลับพยายามที่จะหนีสร้างภาพนั้นขึ้นมาแก่สร้างภาพนี้ขึ้นมาแก่โดยเฉพาะฝ่ายสมถะเมื่อราคาเกิดกลัวว่าไอ้ความกำหนัดราคาจะลบกวนจิตนึกถึงภาพอาสุภะขึ้นมาช่วยนึกถึงภาพากระดูขึ้นมาช่วยนะเอาความคิดมาแก้ความคิดมันไม่ได้ถึงพระทถรนึงกล่าวว่าเหมือนเอาขี้เป็ดมาล้างขี้ไกย่ยิ่งล้างยิ่งเปื้อน เพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือมันเพื่อนแล้วน้ำสะอาดเนี่ยล้างเหมือนเรือล้างแก้วกาแฟเนี่ยเอาน้ำโอนจีนมาล้างเนี่ยมันจะสะอาดไห้ไหมไม่ได้ก็ต้องน้ำสะอาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการสั่งสมตัวรู้สึกตัวเป็นกลางตัวรู้สึกเฉยตัวสะสมมาให้มากที่สุดแต่บางคนก็คิดแบบอกุศลเอ๊ะเราทำจิตให้มันรู้สึกซื่อย่างนี้เราจะฉลาดได้งไง จะหารู้ไม่ว่าไอการสั่งสมจิตซื่อมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดง่ายๆอย่างนั้นน ะ, ะการสั่งสมน้ำเปล่าว่าเยอะๆเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยเราจะกินอะไรก็ใช้น้ําตัวกลางใช้น้ําสติเหมือนกันถ้าเรามีสติเยอะๆเนี่ยปัญญามันก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยเหมือนกับตัวปัญญาเหมือนกับน้ําเอาน้ำสะอาดเนี่ยไปปรุงในสิ่งที่เราต้องการเราจะให้เป็นรสอะไรให้เป็นสีอะไรเป็นกินอะไร ได้ตามต้องการ น, นั่นเขาเรียกตัวปัญญาที่ปรุงออกมาแล้วอันนั้นจิตประเภทที่สมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญญาและเป็นได้ทั้งสังขารขึ้นอยู่ว่าอะไรเข้าไปประกอบพุทธจิตเข้าไปประกอบหรืออวิชชาจิตเข้าไปประกอบโมหะจิตเข้าไปประกอบหรือว่าพุทธจิตเข้าไปประกอบอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตมี3ประเภทเนี่ยเรียกว่ากุศลจิตอกุศลนิัปยากตาจิตนะ น่เราจะต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้เข้าใจนะฮในช่วงเช้านี้เราก็หมดเวลาที่จะเรียนกันแล้วนะเนาะเอาแค่นี้เผื่อว่ามีเวลาอาจจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของฉีดเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะตั้งใจเรียนรู้ศึกษาอย่างถูกต้องแล้วมีข้อขัดข้องปัญหาและข้อสงสัยอะไรนะต้องศึกษาต้องถามได้ทันทีอย่าเก็บเอาไว้ให้เป็นข้อ สงสัยวิธีกิชาที่ทำให้เป็นอุปสรรคได้ข้อนมุนาความตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติในวันนี้อย่างถูกต้องด้วยการทุกคนทุกท่านเถ